เจดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่ห้ามุงหลังคากันฝนรั่วรถเพิ่งผ่าเดียวขึ้นเดือนใหม่อีกแล้วเวลาผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกแค่สี่เดือนที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าทั้งชีวิตของฉันเกิดมาก็คุ้มแล้วกับการมีสี่เดือนก่อนนี้ถึงวันนี้ฉันเริ่มเข้าใจหลายสิ่งมากขึ้นอย่างน้อยที่สุด ก็เล็งเห็นว่าแม้จะแสนดีเพียงใดปราดเกลี่องอัจฉริยะปานไหนหรือกระทั่งมีความเข้าใจเรื่องอนิจจงแจ่มแจ้งเรื่องอนัตตาเพียงใดก็ไม่อาจมีใจหลุดพ้นไปได้เลยตราบใดที่สติยังไม่ทำงานยังไม่ส่องรู้ดูเห็นกายใจเกิดดับเป็นขณะขณะเพื่อถอนอุปาทานทั้งปวงในอดีตฉันเคยนึกนึกเหมือนกันว่า แต่ละคนเหมือนมีเส้นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกเหตุการณ์ทุกบุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราคล้ายถูกกำหนดไว้แบบหนึ่งสองสามตามลำดับเรามีหน้าที่เพียงตัดสินใจโต้ตอบกับเรื่องราวในแต่ละวันแต่ชีวิตในสี่เดือนที่ผ่านมาคือการพลิกเปลี่ยนครั้งมโหฬารไม่มีใครมาชักนำหรือหนุนหลังฉันเองเป็นคนทาให้มันต่างไป ฉันไม่ได้อยู่บนเส้นทางใหม่ด้วยความบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการเลือกและลงมือทำวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้มีคิวของกรรมดำรอเล่นงานอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าเวลาเนี้ยถึงตายดับไปก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วเพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้พบพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและมั่นใจว่าจะมีความเป็นพุทธ จิตติดวิญญาณไปทุกภพทุกชาติถึงแม้ชาตินี้จะพลาดมรรคผลไปเพราะเจริญสติประทานจนกระทั่งเห็นกายใจไม่เที่ยงแล้วมุ่งหมายความหลุดพ้นจากอุปาทานอย่างถูกทางแล้วหรือหากวันหนึ่งจะอยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ก็ถือว่าฉันใช้เวลาในช่วงที่สามารถช่วยตัวเองได้ไปอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วสรุปคือชาตินี้ไม่มีขาดทุน ไม่มีการย้อนกลับมาเสียดายว่าสายเกินไปและที่ปฏิบัติผ่านมาทุกเดือนก็ไม่ใช่ได้หน้าแล้วลืมหลังทุกวันนี้ก็ยังใช้ลมหายใจและอิริยาบถเป็นราวกะ่ะเมื่อสติตั้งหลักได้ก็ดูเวทนาดูสภาวะจิตเปรียบเทียบภาวะต่อภาวะไปเรื่อยเมื่อจิตสงบละเอียดลงตามธรรมชาติ ก็ดูขันห้าด้วยความนิ่งรู้เงียบกริบไปกระทั่งเครื่องหนึ่งข้างในฉันกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่พอใจใช้เวลาในชีวิตไปกับการเห็นกายใจเกิดดับแม้อีกเครื่องหนึ่งข้างนอกยังเป็นคนเดิมที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวโลกเช่นเคยๆมาก็ตามและเพราะยังมีอีกเครื่องหนึ่งเป็นคนเดิมฉันก็ตรหนักด้วยความประหลาดใจเหลือแสน ว่าที่ผ่านมาเหตุใดจึงเป็นอย่างที่เคยเป็นเวลาตามองอะไรหรือหูได้ยินอะไรก็หลงยึดมั่นมาตลอดว่าสิ่งนั้นกระทบตัวเราสิ่งนั้นมีความเกี่ยวเนื่องด้วยเราต่อเมื่อกระทอกเอาความยึดมั่นหยาบๆออกไปทีละชั้นนับแต่ผิวนอกสุดเช่นลมหายใจอิริยาบถเวทนาสภาวะจิต ลงลึกไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงความละเอียดระดับขันห้าคราวนี้ค่อยแจ้งแจ้งว่าหากเราเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรด้วยสติรู้ชัดตามจริงโลกจะปรากฏชัดตามจริงว่าเมื่อเกิดผัดสสะกระทบใดใจจะมีปฏิกิริยาเป็นชอบชังเสมอเสมอและความชอบชังอย่างขาดสตินั่นเองทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นผิดผิดขึ้น นึกว่าใจของเราเป็นผู้มีปฏิกิริยานึกว่าปฏิกิริยาทางใจเป็นของเรานี่เป็นการเห็นตามลำดับคุณภาพสติอย่างแท้จริงและเมื่อฉันทบทวนว่าตนเองกำลังอยู่ณจุดใดของสติปฐานสี่ก็พบว่าควรแก่การฝึกรู้อายตนะหกโดยความเป็นอัตตาได้ อายตนะแปลว่าที่ต่อเครื่องติดต่อแดนต่อความรู้นอกจากนั้นคำว่าอายตนะโดยตัวเองยังอาจหมายถึงสถานีรับหรือสถานีส่งผัสสะก็ได้เช่นประสาท ต, ตาเป็นสถานีรับส่วนรูปทรงสีสันทั้งหลายในโลกเป็นสถานีส่งตรงนี้ทำให้มีอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเป็นหกคู่ อายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยทั่วไปเมื่อคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นกล่าวเน้นกันเพียงอายตนะหยาบคือตาหูจมูกลิ้นและกายแต่ในทางพุทธโดยเฉพาะในแง่มุมของการปฏิบัติธรรมภาวนาเราจะพูดถึงอายตนะคือใจด้วย อายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายและอารมณ์ที่เกิดกับใจสำหรับอายตนะภายนอกข้อสุดท้ายนั้นมีใจเท่านั้นที่รู้ได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดภาพในความฝันนิมิตสมาธิหรือกระทั่งนิพพานพูดให้ง่ายโดยย่นยอ่อคือนามธรรมา ท, ที่จับต้องไม่ได้ทั้งปวง ถูกรู้ได้ผ่านอายตนะคือใจอย่างเดียวนี่คือเหตุผลว่าทางการปฏิบัติแล้วเราจะถือว่าใจเป็นอายตนะที่ใหญ่ละเว้นไม่พูดถึงไม่ได้